ที่ชื่อว่าสิกขามานาได้แก่สำเนรีผู้ได้ศึกษาศิขาในธรรมหข้อตลอดสองปีคำว่าบวชให้คืออุปสมบทให้ภิกษุณีตั้งใจว่าจะบวชให้แล้วสแสวงหาคณะอาจารย์บาหรือจีวอนหรือสมมุติสีมาต้องอบัดทุกกฎจบยติต้องอบัดทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัดทุกกฎสองตัวจบกรรมวาจาครั้งสุดท้าย พิจุนีผู้เป็นอุปชาต้องอบัดตายจิตตีคณะและอาจารย์ต้องอบัดทุกกฎ